ถ้าเราไปเทกายเทยใจมีความติดทาเรื่องสายบางทีแล้วอาจจะเสียใจก็ได้กับเรื่องราวของรูปร่างเสียงเครื่องดนตรีและก็ศัพทธรรมต้องต้องจดจำไปหน่อยนะแผนเขาเรียกว่าแผนที่ที่ที่เราที่เราเดินไปควรจะรู้จับว่าแผนที่เนี่ยชี้ไปทางไหน ผิดหรือถูกหรือว่าทุกข์หรือสุขใช่หรือไม่ใช่ควรเคารพหรือไม่ควรเคารพควรศรัทธาหรือไม่ควรศรัทธาควรเชื่อหรือไม่ควรจะเชื่อสําคัญมากเลยนะเนี่ยสี่ข้อเนี่ยท่านเตือนพู้บริษัทมาเมาื่อกระครั้งที่ท่านมีพระชนที่อยู่ท่านก็เตือนนะแต่ว่าพรพุทธเจ้ายังอยู่ไม่มีปัญหา มีอะไรขึ้นมาก็าถามพระเจ้าองค์ทันทีคนนี้ใช่ไหมคนนี้คนนี้แสดงอย่างนี้ใช่ไหมนั้นใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมพระเจ้าบอกพระเจ้าทำการตอบไปตามลักษณะเหตุผลก็ไม่ต้องกังวลแต่สมัยนี้เรามีความสงสัยมากราบหลวงพ่ อ, ข, อข้างหน้ากราบแลวงพ่อเผ่านัา้นแสดงอ่าเป็นอย่างเนี้ยน่าจะถือใบพกอกระดอนเฉยเออ เอ อ, เ อ, อก็มันก็ลำบากมันเรื่องเรื่องเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องลำบากมากอเลยเห็ใจเรื่องราวของที่เป็นบุคคลสี่จังพวกเนี่ยเนี่ยเราก็ฟังไปแล้วก็ได้เขาเรียกว่าสัระดับสติปัญญายัางไนยังไงรู้ดีกับไม่รู้ใช่ไหมคือข้อที่หนึ่งเรื่องของรูปร่างเราไปเห็นบุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาดีสง่าผ่าเผยบุคลิลักษณะ หน้าเคารพหน้าย่ำเกรงว่าครบอาการสาที่สองเชื่อเลยคือเชื่อในรูปล่างคนนี้ต้องดีแน่เชื่อเลยไว้ใจได้เชื่อแน่คนที่เชื่อรูปล่างหน้าตาและก็กิริยาสมบูรณ์ของบุคคลนั้นบางทีก็พาไปผิดบางทีก็พาไปถูกถ้าให้ดีพุทธเจ้าบอกว่าดูเขานานๆอย่าเชื่อรูปล่างเขา แต่ต้องดูเขานานๆเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่เราอยู่นานๆน่ยมันจะแสดงออกมาอย่าเพาิ่มปรับใจเชื่อในรูปร่างหน้าตาหรือกุณียาที่น่าเชื่อถือนะเตือนสติไว้ข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ต่อไปเราไปวัดไหนไปสำนักไหนไปที่ไหนอาคมไหนนิคมไหนก็เอาลักตอนนี้ต้องดูก็ลักอย่าไปเชื่องอ่ายๆนะ กเ็เริเริ่มมีสติรู้จักรูปร่างคนเราบางทีก็เชื่อกในรูปร่างนะเห็นรูปร่างหน้าตานิโอ้น่าสถาเรื่องสายจเจยพระ อ, อัปโอีิหรือคนคนนี้กล่าวไปลูกสิทธ์เลยอันนี้คนนั้นพูดมาอย่างนั้นก็เชื่อหมดเหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เคยพูดวันนั้นให้ฟังอ่ามีบุคคลที่รูปร่างหน้าตาดีบอกว่านิพพานเป็นอัตตาเขายังเชื่อเลยอะเวลาเขาเรียกว่าทาทำมาพูดเป็นแบบ ธรรมะวิปลิตวิปลิตก็แปลว่าผิดไปจากที่เดิมคนนั้นพูดยังไงบุคคลที่ศรัทธากับบุคคลนั้นแล้วก็เชื่อเลยเชื่อว่า น, นิ้พาไปอัดตาไปเลยเห็นไหมผิดเลยผิดกันทั้งคลอกเลยงานนี้ทั้งคนพูดทั้งคนทําตามผิดกันทั้งคลอกเรียกว่าลงเหวก็เป็นมันเหมือนไอ้ลูกหินลงลงลงลงกระทะลงหม้อไปเลยเห็นไหม เราต้องระวังในะเรื่องการที่ไปคบหาสมาคมกับคนรูปร่างหน้าตาดีๆบุคลิกสมส่วนอัฐธรรมนูญเขาเรียกว่าอะไรครบประการสารทีสองข้อที่หนึ่งนะต่อไปนี้ต้องระวังมากเลยเรื่องการครบหาเชื่อถือกับคนที่รูปร่างหน้าตาดีๆโดยที่ยังไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีอย่าเพิ่งไปมอบเมลและเคงขาทั้งกายทั้งจิตเ้าเรียกว่าศัทาใ น, ล, นลูกหลําหลัก ศาสนาพาระนี่เดียวเธอเนี่ยสไตายในรูปเขาแต่ไม่ได้แต่เตมไม่เคยรู้จักเนื้อหาของในรูปเลยว่าเป็นยังไงแต่นี้เราก็ขาจะอย่าประมาทไม่ได้เลยเรื่องการครบกับคนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่นี่คนที่ไหนก็ช่างต้องรู้จักยาบาละในการครบยาล ะ, ละเนี่ยรักกันเมตตา ก, กันนะก็ค้นคว้าเรื่องราวต่างๆมาคุยหรือมาบรรยายให้เพิ่มเพิ่มทักษะ คือความรู้มันไม่เคยรู้ก็เราก็จะได้รู้ขึ้นจะได้เป็นคนที่อะไรอ่ะเฉลียวฉลาดเราจะเราไปบอกให้เราจะไปให้ผิดซะก่อนให้รู้บางทีมันก็เสียใจเพราะนั้นไม่ผิดอะไรเลยไม่ผิดในการที่จะครบเนี่ยเออตรงนี้เขาคงจะเกี่ยวกับเรื่องสมัยนี้นะเขาเรียกว่าพระเจ้าท่านบอกว่าต่อไปนี้สถาคตนิ้ผ่านแล้ว เธอจะต้องรู้จักประมาณการเรื่องของบุคคลอย่าม่ร่าไม่ว่ายิงก็ดีใช้ก็ดีมาในรู ป, ปรแปลกๆทั้งยิ่งสมัยนี้ยิ่งผลิตยีงก็ผุดขึ้นมายอย่างก็ไ อ, อปลากลระดีปลาหมอปลาช่อนแในหนอมเลยละเหมือก็เป็นอาจารย์กูก็เป็นอาจารย์ทัา้าผู้หญิงผู้ชายแยกน้ำเป็นอาจารย์ไม่ใหญ่ใช่ไหมน้องก็วายอางนั้นคนนี้ก็วายอย่างนี้ไแล้วก็ไม่ค่อยมีทศัศีปัญญาอะไรก็ เหมือนที่ดีดเลยเขาดีดไปดีดมาแล้วก็เราบางทีจานจีจัดไปกันขั่วเมืองไปหมดเห็นไหมบางทีก็ไปหูขมั่มตามขมเรนบางทีก็ไปดีแต่ไม่ใช่ว่าคนรุ่นล้านนาตายดีดเนี่ยจ ะ, จะเสียหมดทุกคนแต่ว่าท่านบอกว่าระวังระวังเรื่องต่างๆที่ยังไม่แสดงออกเหมือนอย่างกพระเจ้าอะไรลืมชื่อไปแล้วเนี่ยเนีพระภูสูตรนะ <c oughs> พระเจ้าพิมพิสาร ขณะนั้นได้ได้นั่งเป่าพระพุทธเจ้าอยู่ก็พวกพวกสื่ราชการนะี่ยแต่งเรียนแบบเป็นนักบวชเดินผ่านมาหน้าวัดที่พระเจ้าทรงประทับอยู่เจ้าพิมพ์สารพระชาวเอ๊ยนักบวชคนเนี้ยดีไหมคนนั้นก็เป็นปริพาโชคคนนี้ก็เป็นเดชถีคนนี้ก็เป็นอเจรกะเพราะว่านักบวชเหล่านี้ดีทั้งท่านเลยอ่ะเจ้าประสงนิ่งหลังจากนั้นก็้าทรงต่อ มหาบุคิดว่าคนเราจะดีหรือไม่ดีจะอยู่ในกาลเวลาใดทําหน้าที่อะไรต้องอยู่ใกล้ชิดกันทีเดียวแนวิระเจ้าตอบเด็ดขาดเลยไหมพระเจ้าพิมพิสารนะโผพโนมมบิกบานเลยในความเขาเรียกว่าปฏิปทาแห่งความรู้หรือความเข้าใจของพระเจ้าองค์ก็เลยตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าก็ทรงบอกกับพระเถรบุตรว่าการกบหาสมาคมคนเราจะดีจะช่วยต้องอยู่ด้วยกันนั่น จึงจะรู้จักปีศาจกันเหมือนผมมีอย่างเงี้ยนะสิบคู่ดินะร้องไห้หมดสิบคู่เลยเห็นไหมเพราะว่าก่อนแต่งงานกนี่ไม่เคยทําให้น้ําตาหล่นแม้แต่แป๊ะเดียวนะเห็นไหมที่อย่างนั้นน้อยอย่างนี้เอาใจกันทั้งพี่ทั้งไหนทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายอาใจหญิงเอาใจชายชายใจหญิงโอ้โหเหมือนกันแลยเหมือนว่าไข่ปอกเปลือกเลย คนนี้ใช่แล้วแหละต้องเปิดคนนี้เราต้องแต่งงานด้วยอคนนี้ใช่เราจะต้องเป็นสามีเราอะไรเงี้ยเพราะแต่งงานไปเลยเปน็นด้างเ ค, ค้กกินมูกไปจัมป่าไปหมดเพราะว่าขี้พืชมันออกหมดแล้วเป็นคนที่เล่ามายาเรื่องการพนันเก๊กไปเลยเกเรไม่สนใจครอบครัวอะไร่ะเนี่ยเยเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันจึงไม่รู้นิสัยซึ่งกันและกันอันนั้นมันเพลนคบกันเขาเรียกว่าคบผันขา คบผิวเผินยังไม่รู้นิสัยที่แท้จริงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องทุกข์เรื่องลาบากพระเจา้าท่านเนี่บอกว่าการมีครอบครัวเป็นเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากคือเราไม่เข้าใจเป็นจริงๆเนะี่ยเราไม่เข้าใจเปนย่งเราถึงได้ขัดแย้งกันเสมอถ้าเราเข้าใจากันทุกคนก็มีแต่ว่าไม่มีนะไม่มีบรรลุคนไหนเข้าใจกันได้หรอกเพราะการคนต่างไม่รู้นิสัยตัวเองเนี่ยมันจะมันจะเข้ากันได้อย่างไง ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่รู้นิสยัยตัวเองเป็นยังไงแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้นิสยัสยตัวเองเป็นงไงก็ไปอยู่ด้วยกันก็นสยมันก็เลยขัดกันึ้นมัเลยทะเลาะบอกไว้ธรรมดาสามัญสามีนียนะเรื่องตกตีทะเลาะเขาเรียกโวราโอ้เรื่องธรรมดาิด้กฟันอะไรเงี้ยไปรัศดรอย่าง้ยะ เ, เราก็พูดกันถึงเรื่องอยาไว้ใจในรูปรางของบุคคลต่างๆที่เข้าที่เข้ามาแสดงเป็น ครูบาอาจารย์ของตนเองหือบุคคลเราดีเต้องเคารพเขาใช่ไหมเราต้องเชื่อเขาใช่ไหมต้องศรัทธาเขาใช่ไหมพูดอะไรเขาสอนอะไรเราต้องเชื่อเขาหมดท่านั้นก่อนที่เราจะเชื่อจะศรัทธาจะทําตามต้องดูดูเขาไปดังนัน้อย่าไปเชื่อรูปร่างวางนั้นเถอะวงเล็บไวนะว่าวอย่าเพียงดูแต่รูปร่างแต่ได้ น, นนะคอทีตหนึ่งนะขอเข้าข้าวนะขอเข้าข้าว ให้รู้เราแล้วว่าการครบกับบุคคลผู้มีรูปร่างหน้าตาที่ดีๆคบอาจารย์ชายที2 2> ่สองควรจะต้องทำอย่างไรเป็ข้อที่หน น, นี้มาถึงคนที่สองคืออย่างที่สองไม่ใช่คนที่สองอย่างที่หนึ่งผ่านไปแล้วแต่นี้อย่างที่สองเสียงบางคนไปได้ยินได้ฟังเสียงดีๆจากผู้หญิงคนนั้นจากผู้ชายคนนี้นักบวชคนนั้น เรื่มใสเลยตัดสินใจเริ่มใสเลยมอเตอร์เคขาด <c oughs> เลียว่าขอไปรุกศิษย์ไปคนเลยนะเรีว่าขอขอท่านเป็นอาจารย์ผมผมจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างเพาผมตัดทาในเสียงท่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเสียใจได้หรือไม่เสียใจก็ไดนะ้เพราะว่าเราเราเราง่ายเกินไปเราเชื่อเขาง่ายเกินไป ในในการที่เราไปนยิยมเสียงพระเจ้าตะลุนห่งลูกจังเลยนะเนี่ยอะเป็นห่วงลูกลูกสี่คนนี่จังเลยสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะไปเชื่อใครไปเคารพนับถือใครนี่ต้องดูแลให้ดีๆนะอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยเราคิดดีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมตตาหรือไม่พระเจ้าเนี่ท่านทรงเมตตาเติ้ลคนเราจะกึ่งโง่ก็สอนนั่นสอนนี่ให้ลูกฉลาด เพราะว่าท่านจะไปนิพพานแล้วเนี่ยนะท่านจะดับแล้วท่านก็ต้องสอนลูกไว้ยังไงจะเชื่อคนจะคารพเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเสียงมีทั้งมีเสียงนั้นจะดีมีสาร ะ, ะหรือหรือไม่มีสาร ะ, ะยังไงก็ ข, ขอให้ฟังไปนานๆาเสียก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปเชื่อในสัมเนียงของเสียงนั้นเพรามีใช่ไหมมีบางคนบางคนบางหมู่บางคณะติดเสียง โอยเสียงอาจารย์คนนี้ดีจังเลยเสียงโยมอาจารย์เยอะๆผู้ชายหรือว่าเคาว่าคนนี้เสียงดีจังในทีคนนี้เสียงก็ดีจังเยอะผู้หญิงคนนี้ก็เสียงดีจังางเลียเชื่อเลยเดี๋ยวเขาเรียกว่าคนที่ไว้ใจเสียงแต่บางครั้งก็ก็ดีนะเราต้องดูกันนะพระอาจารย์านบอกเสียงจะเสียงน่าจะดีหรือไม่ดีนะก็อขอให้ ให้ฟั ง, งนันอย่าเพียงได้ยินแล้วเชื่อต้องฟังอัดอัทธรสกิริยาของอัทธรสจากเสียงนั้นมาสมควรจะเป็นผู้ที่เราให้ความศรัทธาได้ไหมเชื่อได้ไหมสมควรจะฝักเรื้อฝักตัวเป็นผู้ชี้ทางแห่งความทุกขความสุขให้แก่เราก็ต้องดูดูอัทธรสของเขาเสียงนั้ น, น, นผมก็มามตามคมเมน เชื่อไปตามเรื่องเสียงที่เขาเขาพูดเขาเจรจารหรือเระเทศเขาหาอะไรอย่างนี้นะไปดีกรเรื่องของเสียงให้นันน้นจันณาจาแต่เสียงเสียงที่น่าเชื่อถือที่สุดเลยลก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็คือพันคงจะเป็นเสียงของอบแต่ตามหลักภาษาธรรมภาษาที่ ท, ที่บรรยายเนี่ยไม่พูดว่าเสียงเขาเรียกว่าพุทธพจน์แปลว่า ถ้พระพุทธเจา้าม้งทรงตาลบขึ้นด้วยสุรา น, น, านาฏก็แปลไว้ที่พึ้นคือเสียงนี้เป็นที่พึ้นเขาเรียกว่าพุทธผลแต่ผูดภาษาอย่างเราเข้าใจนะก็คือเสียงพระพุทธเจา้าไม่เชื่อถือได้อะไรอย่เงี้ยเนอะถ้าได้วเหมือนจะเสียงพระพุทธเจ้าแล้วฉันก็ไม่ไว้ใจนะอะ ไ, อไม่รับรองนะอะไรผมไม่รับรองนะแต่ถ้าเสียงพระพุทธเจ้าผมรับรองฉันรับรองนี่คือนี่คืออ เรื่องที่สอง น, น, นะนะเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องลูกลูกล่าเรื่องที่สองคือเรื่องเสียงอันี้มาถึงเรื่องที่สามก็ต้องระวังเรื่องการใช้เครื่องแต่งตัวที่เขาจะเป็นครูบาอาจารย์เคร่งจิ๋วมอนดำหลัง <c> ค <oughs> าติดดำอะไรก้โอ้โหอุกฤใช่แล้วแวนี่ต้องไปหลังจากแน่เลยมอมเมระเขตเลยตถา เชื่อเลยเชื่อจีวรดำเลยเชื่อสังขารดำๆเลยหรือว่าเพศติดตะโพธไม่กินข้าวกินน้ำใช้ร่างกายให้ให้ให้สู้ให้ผอมตาโมอะไรเงี้นะคนมาหูหใส่มิกเร่หน้าดูเลยเนี่ดูลักษณะรูปเครื่องประดับแล้วห น, น้าเริ่มสายจังโอเคเลยไม่ไดศรัทธาเลยบางทีก็เสียอีกเห็นไห เนี่ยพูดถึงอย่างนี้ก็เรื่องเกิดวัดีเองว่าต้นปีเนี่ยที่เนี่ยแถวแล้วแถวคลองหลวงเนี่ยคองนายกงคงขลักท่าชุดดวงเห็นไหมดวงก็คนอ่านหนังสือพิมพ์เจอแล้วท่าชุดดวงไปปักผลดวงก็แหมชื่อถือมาให้ข่าวให้น้ามาพูดจาปาสายก็มีเด็กคนหนึ่งมันก็ไม่สมประกอบคือเด็กคนนี้ก็เป็น้เป็นใบ้ายอย่างเงี้ยนะแต่เลิกกระไล่ท่าไหนก็ไม่นหนท่าชุดดวง น, นี้เคร่ง จีวรจีวรดำดำคล้ำๆนั่งอยู่ในกรดอะไรงนะ่งเงี้ยนะเลงหนูเนี่มันคงอย่างว่าเนะ่เห็นท้าก็เคารพอะไรงเงี้ยนะแต่คงจะกาไปไว้ผมขืนจ้ะคาเลยนี่เห็นหม <laughs> <laughs> เหหละเพื่อเื่อแต่งตัวบางทีมันก็น่ากลัวแต่บางทีก็ไม่น่ากลัวนะ เราจะไปไว้ใจเรื่องเครื่องแต่งตัวของบุคคลเหล่านั้นบางทีเราก็เสียบางทีก็ไม่เสียมันก็เหมือนกับเสี่ยงไปอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็ท่านก็บอกว่าครูเจ้าท่านบอกว่าจะเชื่อเครื่องลงผมเขาอย่างไรก็เลยแต่ก็ขอให้ดูดูนานๆในกิริยาของเครื่องน่งผมนั้นเห็นไจะตลาดเวลาเดี๋ยวเพิงเดี๋ยวเพิงเห็นเห็นเคร่งแล้วก็เชื่อเลยนะเห็นจีวรดำๆแดงๆก็เชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม นี่สมัยนี้โหก็แต่งตัวน่าจะถือกันอะบางทีใช่ไหมอยู่วัน ข, ขมขำผอมตาโป๊ะโหน่อยอย่างนี้นะทำเป็นอดข้าวอดน้ำปูผ้ามาเหรียญกระตุกผ้ายันเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้ น, น, น, น, น, น, น, น, น, นเออไม่เล่าจะรออีกนะเพราะเราสัมธาในเครื่อง เ, อเครื่องลงผมเครื่องแต่งตัวคือรายละเอียดเนะี่ยเราไปดูเอาเองกันแล้วกันนะคือ ถ้าจะให้ผู้บรรยายบรรยายถึงเรื่องเครื่รงหนึ่งผมที่ว่าอนําความศรัทธาเนี่ยเยอะแยะแม้กระทั่งคนทรงมันแต่งตัวพิสดารใช้ไหมคนทรงเคยไปดูคนทรงบ้างไหมใช่ไหมมันแต่งตัวเหมือนช่าบ้านเลยหรอกมานั่งแต่งตัวเคร่งเครื่องแต่งตัวนะแล้วก็ทํานั่นทำนี่อะไรโอ้โหถูกเสียนจีกับแฟนสโมงหมดเราก ล, าลัวเลยใช่แล้วเนี่ยจะพอไหน้าเจือถือว่าอเลย เราว่เ า, าเข้ า, าบ้าไปมาเคขาดเชื่อจำพ่ออีกขอไปลูกชายในคนเ้ออะไรเห็นไมเนี่ยพราะเราไปเชื่อไอ้เครื่องรงปหงมเขาแล้วก็ถูกหะออีกเยอะเลยสมัยนี้นะอย่าไว้ใจท้าไม่ใช่คน่ะไอ้เรื่องครื่องรหงสเครื่อ ง, องเองป็นตัวเหลยบาที บ, ง ท, บงทีก็มีไม้ตกรตูตกะเท้าอะไรใ่ไแต่เองจะก็เคยเห็นไอ้ไ อ, เ อ, เ อ, เ อ, เอ้เครื่องเครื่องปรดับของพวกคนสงนี่มันทำพิสดาร่ะ ทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรอแตม่มันเดินตามเท้าถนมนแล้วมึงเอ้ย <c oughs> นี่ว่าก็ตำรวจจับตัวตีตัญญาเนี่ยเนี่ยพระเจ้าก็มาเตือนเราว่าอย่าเชื่อไหนะเห็นรูปร่างอเห็นเครื่องนุ่งห่มของเขาอ่าเป็นสิ่งที่ทําให้เร า, าเคารมเพื่อนถึกเขาจะทนเชื่อทีเดียวดูเขาไปนานๆดูไอ้ไอ้เรื่องเครื่องทรงคล้ายดีๆแล้วก็ดูกริยาของเขาว่าถ้าเราไปทางไหนสงควรจะเชื่อได้หรือไม่เชื่อ สมควรจะเคารวบหรือไม่เคารวบผมควรจะทําตาหรือไม่ทาําตารายละเอียดเราไปดูเองแล้วกันพรแล้วแล้วยังคงไม่เสร็ฟังคืนนี้แล้วก็พวกนี้ตายไปแล้วพวกนยังอีกหลายวันอีกหลายเดือนหลายปีว่าคงจะได้ไปเห็นอะไรต่ออะไรไอ้พวกไอ้พวกไอ้ไอ้โดยจะแต่งตัวให้เราศรัทธาเนี่ยหรือบางทีก็ประเทศที่เรียกว่าถ้าไปเจอไอ้พวกเจรักกะเข้าเนี้ยนะ น้อน้อยมหมน้อยอย่างเงี้ยเอาผ้ามาติดอวัยวะหน่อยแล้วก็เดินถงเถง ง, งโอ้โหนาทัทายเบเดียวรไปเจอไอ้ไอ้ไอ้วกเค่อาจรย์ลเอ้าอีกลาบอีกขอไุกสิกอีกเวจรย์ลกาว่ามเดี๋ยวก็ไปเีสีชี้ายดาบดาจะดีหรือสีนะหญิงก็ดีชายก็ดีจะเป็นบรรพชิตพิสูจน์สัมาเนรแม่ชีบาตกปติกา จะเป็นใครๆอะไรก็ช่างอย่าเพิ่งไปเชื่อเรื่องเครื่องแต่งตัวเหล่านั้นมันจะทำให้เราเสียใจกับเรื่องที่เราเดินเทาาผิดหรืออาจจะดีใจกับเรื่องนั้นก็ได้แต่ขอให้ดูการ น, นานให้เข้าใจดูให้ชัดเจนคือสติสัมปชัญญะข้อที่สามแล้วใช่ไม้มคือพูดกันเล่นน้อ ย, เ, ยวเวลามันน้อยดิจะหมดจะไม่จบจ้ะเดี๋ยวยืดต่อคือปุณิพันลนนี้อีก อนนี้มาถึงข้อที่สี่ข้อที่สี่อ่ะสทีลืมย้ำไปถ้าหมจีวอเครื่องทรงแบบพระพุทธองค์อล้ะท้าได้เลยะเพราะว่าพุทธจ้านหมจีวอสีสีสีฝากแล้วสีสีกันขนนนะ่ะเป็นปริมนทนใครเห็นพระพุทธองค์ในะเรื่องการหมจีวอกิริยามารยาทในการเดินการยืนพุทโธแล้ว อดไม่ได้ที่จะศรัทธาในพระพุทธองค์เพียงเห็นก็ศรัทธาแล้วเราถึงบอกผู้บรรยายบอกถ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระทธองค์ล่ะศรัทธาได้เลยเนะหมาะไปประเคนขาดได้เลยไม่ต้องลังเลนะสําหรับพระเจ้าองค์เดียวนะแต่อค์อื่นไม่รับรอง <c oughs> แม้แต่ผู้บรรยายนี้ก็ไม่รับรองนะเ๋ยมาเชื่อผู้บรรยายก็ไม่ได้นะต้องดูให้ดีๆนะบองครั้งผู้บรรยายก็าขนจีวรดีบางทีก็ มีทิวอ่ยบ่าเหมือนเหมือนผีเฝ้าประชาอะไรเงี้ยก็ไม่นาศรัทธาเท่าไหร่หรอกแต่บางทีก็น่าศรัทธาอะไรแต่ผมทิวอ่ยบ่าเหมือนผีเ้าปชาก็ไม่น่าศรัทธาเลยอะไรเงี้ยแล้วเคยเห็นใช่ไ่าเธอเห็นบุคลิกของผู้บรรยายเขนจะยึดถืออะไรกัทักหนาหรอกแล้วบอกว่าสาหรับพระองค์แล้วน้อมเสียน้อมกลาง กายนี้อาการฐานทีสองพราะมนั้นจิตใจมอบเมนววประเทงข่ายด้วยความคตทางประสาทถ้าไม่ใช่พระเจ้องค์แล้วดูไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นดาบทดาสีเศรษฐีดาบทโยคีโยคะอะไรตรงไหนก็ช่างจะพอเจ้าแม่ตรงไหนก็ช่างนะมาถึงข้อที่สี่ข้อนี้เป็นข้อที่เราต้องดูเหมือนกันอย่าเพิ่งเชื่ อ, ขอเขาเรียก ว, ว่าข้อที่สก็คือผู้ที่จะแสดงสัตว สัจธรรมหรือสัจธรรมของพระพุทธที่ประกอบไปด้วยหลักสามข้อก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งลักษณะอย่างนี้มีมากมายทั้งฝ่ายบรรพชิตภิกษุและกระทั่งอุบาสกอุบาสิกหรือไม่กระทั่งผู้ที่นอกลัทธิอนอกศาสนาเรียกว่าลัทธิก็นําเรื่องนี้ไปเสด็จซึ่งเราจะเห็นอา้าวมาทำรูปในการเป็นคนทรงนะ ไปวัดไปมารนะ้อน ง, งนะไปถือศีลทำธรรมบ้างนะอะเอาเงินมาทําบุญกันต่อเอาเงินเราอะไรแต่ก็ส่งเราเข้าวัดแตเอาเงินมาดิอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินมาทําบุญในการแล้วก็อย่าลืมไปวัดนะไปจัน์ศีลภาวนาจะเริยนศีลธรรมาทิฏปัญญานะเชื่อพระเจ้าท่านแต่เอาเงินมาตบิอะไรนะผมก็เคยเจอใช่ไหมเรื่องอย่างเงี้ยผู้ที่จ ะ, ะแสดงสัจธรรม ในคำสอนองค์พระศาพด า, าคือสินสมาธิปัญญานั้นอย่าเพิ่งเชือ่ออย่าเพิ่งเชื่อเดียทีเดียวนะควรจะดูปฏิกิริยาของผู้ที่เจริญเจริญสินสมาธิปัญญาที่แสดงมันด้วยว่าสมควรจะเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาได้หรือไม่พอที่จะนําเราไปสู่สถานที่ทต่เราต้องการคือความสุขโดยที่เรียกว่าการไม่เบีย Lucas, ดเบียนกันทํหลายกันหรือว่าจะพาเราไปถูกสนหรืออกุศล ก็ขอให้ดูก็เป็นกัน่าแล้วเราก็จะรู้เองว่าผู้ที่จะแสดงศัตรธรรมสิทธิมาที่ปัญญานั้นเป็นบุคคลที่ดีหรือไม่ดีไม่ใช่ไปเชื่อที่ในในเชื่อที่เขาแสดงอ่าอ่าสิ่งที่เขาแสดงศัตรธรรมแล้วเราก็เชื่อเลยเพราะว่าปรากฏการของศัตรธรรมพระเจ้านั้นก็กว้างขวาขงไปในบุคลของคนที่เรียกดีกับไม่ดีคนดีก็พูดอ่ะคนไม่ดีก็พูดอ่ะเห็นไหม ร้อยแปดพันเก้าของคนที่นําเนื้อหาสาระของพระสัตธรรมนี้ไปแสดงแม้แต่ท่านผู้ที่เป็นนิจฉาจิตริหรือสัญมาจิตริก็แสดงได้พระพเถระพรเจ้าท่านสอนให้เรานั้นดูการเวลาเห็นการพบหาสมาคมกับบุคคลที่แสดงสัตว่าน่าเชื่อถือที่จะเดินตัดแล้วเพื่อตัดสินใจทีตรงนี้ต้องรวังเลยว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงสัตยธรรม หรือสินธนาที่เนีย่ยเชื่อได้เลยพท้าวเจ้าแสดงเองนะเชื่อได้เลยไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องมานั่งดูงให้เสียว เ, วเวลาเวลาคือศรัทธาภาษาไทยนั้นเชื่อได้เลยเนี่ยสี่ข้อนะสี่ข้อท้าวเจ้าทรงเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็แสดงไว้ให้อนาค ข, ของพุทธศาสนานั้นเดินทางไปพร้อมทั้งพุทธบริษัทนั้นได้มีสติสัมปชัญญะคงรรมได้นะ ก็สร uh ุปกันนิดหนึ Solid ่งว่าในในในรูปร่างก็ดีนะในเสียงก็ดีแล้วก็ในเครื่องรุ่งห่มก็ดีแม้กระทั่งพระสัรคำก็ดีพระพุทธเจ้านั้นทรงมีคุณครบสี่ข้อรูปร่างของพระุองค์นั้นก็สง่าผ่าเผยถ้าใครได้พบเห็นพระพุทธเจ้าแล้วคนนั้นก็อดศรัทธาที่เขาเรียกว่าโมลุษที่สวยกว่าสตรี สวยได้กิริยามารยาคือสิลสมาธิไหมซึ่งไม่ใช่สวยได้อภร์เขื่อนกระดับใครได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าอดที่จะศรัทธากล่าวไหวบูชาชไหมี่ข้อที่หนเรียกว่าพระเจานะั้นครบโอศประการแต่ว่าถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือพอาาระอรหันต์แล้วต้องพิจารณาข้อที่สองเสียงใครๆก็ไม่เย็นไม่ชื่นช่ไม่สุรนาเหมือนกับคือท่านไมา่จะมาตะโกนเหมือนพวกบญญรรยายลิลรอก เสียงพระเจ้าเป็นเสียงสุรัญนาคือไม่หนักและไม่เบาแต่ทุกคนจะได้ยินได้ฟังเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นสุขของโสตเ ป, เป็นสุขของหูที่เป็นได้ฟังเสียงธรรมของพระโอษฐใครได้ยินได้ฟังธรรมนี้นก็อดศรัทธาเรื่องสายไม่ได้พระอุท <c oughs> ัยวีเป็นอมาตะของพระเจ้าสุโธธนะพระเจ้าสุโธธนะสั่งให้ไปราตนาพระเจ้า ให้มาโปรดกับบิฏภัณฑ์บ้างทายีเข้าไปอมามัดจิตเป็นสุขได้สําเร็จเป็นอรหันต์เลยคือคือจิตนั่นหลุดพ้นจากกองกิเลสไปเลยแล้วก็ได้ได้ได้ขอบวชเป็นพระอรหันต์คือเป็นสุขพระอรหันต์หลังจากได้สําเร็จเป็นต่างหันแล้วก็อรหันตนะพระธองค์ให้เสำเร็จไปโปรดชาวก บ, บิฏภัณฑ์นั่นเราจะเห็นว่าเสียงพระเจ้านั้นเป็นเสียง ท, ที่ใครได้ยินได้ฟังนั้นจะได้สำเร็จมาก ฉะนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังเสียงพุทธเจ้าเชื่อถือได้เพราะเสียงนั้นคือเสียงสตริสารก็คือเครื่องรุ่งพุทธเจ้านั้นมัชชิมาปฏิปทาการรุ่งโผล่กา ร, ก, ก, ารการเดินไปหรือนั่งเราก็เป็นสุดท้ายก็คือสัจธรรมที่ได้บรรลุเป็นคะให้แก่พุทธบริษัทได้ฟังเพราะนั้นจึงจึงรับตรงนี้ว่า พระพุทองนั้นทรงมีสี่ข้อที่สมบูรณนะ์นอกจากนี้แล้วทุกคนจะต้องมีสติสมบูรณ์ที่จะดูแลเรื่องราวของสี่ข้อนี้ให้เข้าใจและชัดเจนแล้วค่อยสัทธาภาษาธรร